ขอความสันต ความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบเดียพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปซิดในวันนี้ทุกท่านนะครับหา่างหายกันไปนานนะครับผมดูผมทำเอกสารเนี่ยนะสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันเป็นมีนาวันนี้มาทำอีกทีเป็นสิงหาหายไปห้าเดือนนะ พอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับมองไปที่โต๊ะเนี่ยนะก็มีมีฉากใส่กั้นนะครับตามมาตรการนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไดหลายอย่างนะครับแล้วก็วิชาท็อปซิสเนี่ยเมื่อกี้วิทยาศาตร์มาแจ้งแล้วนะครับก็จะเหลือสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่สี่นะก็สลับกันสัปดาห์ที่สามเป็นผมสัปดาห์ที่สี่ก็อาจารย์เป็นอจาจารย์ยันะครับ mm hmm. เพื่อให้วิยากรนเนี่ยการนําเสนอมันหลากหลายมากขึ้นนะ กลับมาเนี่ยนะครับลืมไปแล้วว่าอยู่อายาไหนนะไปนค้นในชีตเดิมปรากฏว่าเราเนี่ยอยู่ในอุรอันอิสระนะครับอายาที่ยี่สิบเอ็ดถึงอายาที่ยี่สิบห้าถ้าเป็นสมัยก่อ น, นเอกสารหายไปแล้วสมัยนี้มันอยู่ในคอมนะพอไปนค้นดูยังเจออยู่นะครับวันนี้อุรอันอิสระนะครั บ, อ, ร อ, รบอายาที่ยี่สิบเอ็ด ถึงอายะที่ยี่สิบห้าุินะชออในอายะที่ยี่สิบเอ็ดนะครับในวันนี้เนื้อนะหาเนะี่ยมีสองคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งไว้เดี๋ยวให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับคำสั่งที่หนึ่งเนื้อหาในวันนี้นะก็คืออย่าตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์ส่วนคำสั่งที่สอง ให้ทำดีกับบิดามารดายาตั้งพาคีต่อร้อประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองให้ทำดีต่อบิดามารดาที่น่าสนใจก็คือคำสั่งตรงนี้เนี่ยเวลาปกติเราพูดถึงการตั้งพาคีเนี่ยวันทีอยายัดกุลานเนี่ยพูดกับผู้ตั้งพาคี มัมีสองกรณีอย่าตั้งภาคีนะพูดกับใครพูดกับผู้ที่ตั้งภาคีอย่าทําอย่างนั้นเลยแต่เนื้อหาในวันนี้พูดกับมุสลิมนะครับพูดกับมุสลิมซึ่งยอมรับต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะบอกกับมุสลิมว่าต้องการจะบอกว่าเวลาจะสร้างอุ้มมะนี้ขึ้นมาสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเนี่ย มีรากฐานอะไรบ้างรากฐานประการที่หนึ่งอย่าให้มีพาธีแล้วก็รากฐานประการที่สองที่จะยึดสังคมให้มันอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขให้ทำดีต่อผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันอายะห์ที่สิบเอ็ดอลลอฮตรัสไว้ว่าคุณซุดแปลว่าจงมอง จงพิจารณาจงดูใครฟะฟอบตนนาบ่ดูบ่ดอหุมอลาบะดินเราเนี่ยให้บางส่วนของพวกเขาเด่นกว่าอีบางส่วนยังไงบ้างก็คือมนุษย์เนี่ยมันมีเต็มไปหมดพี่น้องหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ภูมิประเทศที่อยู่อาศัย สีผิวนะเต็มไปหมดมีหลายจำพวกอลัลลอ์เนี่ยให้บางจำพวกเนี่ยเด่นกว่าอีบางจำพวกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนอาหรับดีกว่าคนอายมคนยุโรปดีกว่าคนอฟริกาไม่ใช่ดีแบบนั้นแต่หมายถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้รับเช่นทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะ บางที่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภูมิประเทศบางประเทศไม่ติดทะเลเนึก อ, ออกไหมพี่น้องบอกไม่ติดทะเลแล้วเป็นยังไงละ่ะไม่ได้เที่ยวชายหาดใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นมันใหญ่กว่านั้นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลเลยพี่น้องเวลาจะขนส่งอะไรเนี่ย น, นะยากถ้ามีทะเลไม่เป็นไรมันมีท่าเรือนะสมัยนี้เนี่ย เครื่องบินก็มีจริงรถก็ส่งได้จริงแต่การขนส่งที่เป็นขั้เปอร์มานมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นทางทะเลอยู่ยุทธศาสตร์สาคัญนะประเทศไหนมีทางออกทะเลประเทศไหนไม่มีทางออกทะเลเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สาคัญเหมือนกันอันนี้ก็คือฟอสตอ น, นาร์บะทุมอาลาบะดินสทรัพยากรความได้เปรียบบางอย่างเนี่ยนะไม่เหมือนกัน เอายกตัวอย่างต่อมาพี่น้องจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับโดยผู้พิพากษ์เนี่ยนะถ้าเราดูในแถบประเทศเอเชียตออเชียงใต้เอเชียอาคเนเนี่ยบางคนก็เรียกาอุสาคเนเนี่ยช่วงนี้มีมีฝนใช่มมีมรสุมมีพายุพัดมาเนี่ยเวลาพายุพัดมาเนี่ยพี่น้องนะประเทศไทยมามาอย่างี้งมาทางขวาเป็นอ่าวไทย ดูตามแผนที่นะทางซ้ายเป็นเป็นอันดามันการนี้ถ้าลมมรสุมพัดมาจากทางนู้นเนี่ยนะครับไอที่โดนก่อนเนี่ยเวียดนามโดนก่อนเพราะว่ามันโค้งมากั้นเลยนึกออกไหมโดนมาจนกระทั่งว่ากว่าจะมาถึงไทยเนี่ยลมมันอ่อนกําลังแล้วถ้าไทยนักขนาดไหนทามาทางนี้นะเวียดนามโดนหนักกว่าอันนี้คือข้อได้เปรียบทางทางภูมิประเทศภูมิศาสตร แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยประเสริฐกว่าคนเวียดนามนะครับหรือว่าคนที่มีทะเลติดทะเลดีกว่าคนไม่มีทะเลไม่ใช่นะไม่ใช่ลักษณะบแบบนั้นก็อ่านพูดน่าสนใจครับบอกว่าไกลฟ้าให้ดูซิว่าเราเนี่ยให้ข้อดีข้อเด่นเนี่ยแก่บางกลุ่มชนนะบางกลุ่มชนได้แบบหนึง่งบางกลุ่มชนได้อีกแบบหนึ่งเนี่ยให้พิจารณาดู ให้ดูให้ละเอียดตรงนี้พอไปดูอย่างละเอียดแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าเส้นทางทางประวัติศาสตร์น่าสนใจมากเช่นสมัยก่อนเวลามีสงครามเน่ยพี่น้องเวลาดูสงครามในไทยไหมลนะ่ะพันธรศวนก็ดีอะไรกันแล้วเตเนี่ยเวลาชนะขึ้นมาพม่าชนะไทยไทยชนะพม่าชนะยนุโชนะเวียดนามอะไรกันแล้วแต่สิ่งที่ผู้ชนะทําก็คือว่า กว่าต้อนเฉเลยมานชนะลาวกับกวาดมาพม่าเวะลามาตีไทยเตะ ก, กวาดไทยขึ้นไปนะครับเพราะในพื้นที่นี้ในภูมิประเทศตรงนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งที่สําคัญคือคนไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้เนี่ยที่เอากันเป็นเอากันตายไม่ยอมกันคือเขตแดนคือพื้นที่อย่าล้าเขตแดนมานะไม่งั้นสู่ตายแต่ในสมัยก่อนเนะี่ย เขตแดนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีความสําคัญเพราะพื้นที่นะอยากได้เอาไปเลยเป็นป่าทั้งนั้นสําคัญกว่านั้นคือคนเมืองแต่ละเมืองมีคนอยู่น้อยพอมีคนอยู่น้อยแล้วเนี่ยใครจะทำกะเกษตรใครจะสร้างเมืองใครจะเกณฑ์ทหารที่ต้องการคือคนเวลาชนะเสรนะ็จเนี่ยไม่ได้จะไปยึดยึดคอนเขตแดนเขานะกว่าต้อนคนลงมาเอาคนไว้ก่อนแล้วก็ไอ้พื้นที่นั่นก็ปล่อยไปถึงเวลากระส่ง บรรณาการมาแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะเขตแดนสําคัญเวลามีข้อพิพาทกันเนี่ยนะครับไม่มีตอนเฉลยมาแล้วเพราะว่าคนมันเยอะอยู่แล้วนะพื้นที่ตรงนี้ต้องการคนพื้นที่ไม่สําคัญในสมัยก่อนไอลักษณะที่ว่าพื้นที่สําคัญเนี่ยเป็นทางยุโรปเขาเพราะว่าคนเยอะพื้นที่น้อยฉะนั้นเขามาแย่งคนเขาแย่งพื้นที่เห็นไหมต่างกันนะครับหรือว่า ถ้าดูในปัจจุบันเนี่ยดูในประเทศอาหรับเนี่ยประเทศอาหรับซึ่งยากจนที่สุดเฉพาะประเทศอาหรับนาะล้าหลังที่สุดยากลําบากที่สุดปัจจุบันคือประเทศอะไรรู้ไหมเวลาดูเนี่ยนะเวลาเรามองอาหรับเนี่ยไม่ใช่มีตังค์ทุกคนนะครับมีน้ํามันทุกประเทศไม่ใช่นะปัจจุบันประเทศซึ่งเขาเรียกว่ายากจนที่สุดประเทศอาหรับก็คือประเทศเยเมนมีสงครามกลางเมืองมีนู่นมีนี่เต็มไปหมด นะครับปัจจุบันก็ยังไม่สงบและยิ่งมีโควิดระบาดเนี่ยพี่น้องระบบสาธารณสุขล่มสลายโปรตีโรบานก็ไม่พออยู่แล้วพอมีโราาคระบาดขึ้น อ, อีกไปกันใหญ่เลยเยเมนแย่ที่สุดปัจจุบันแต่ถ้าพี่น้องย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยพื้นที่เดียวกันในเยเมนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากที่สุดในคลาสหมดอาราเบียถ้าพี่น้องกลับไปดูประวัติศาสตร์นบีสุลยมานกับ ฟานบินกิสไอนกพุธไอนกหัวขวานที่บินมาเนี่ยนะบีนสเวลมาเรียกว่าชุมมันไม่มาประชุมเนี่ยนะบินมาถึงเยเมนแล้วก็เอาข่าวไปบอกนะบีนสเวลมาว่าเจอพื้นที่ซึ่งมีความเจริญเป็นแหล่งทรัพยากรแหล่งอรารยธรรมถ้าย้อนกลับไปสองพันปีสามพันปีที่แล้วเยเมนเป็นแหล่งอรารยธรรมเจริญมากปัจจุบันพิกกลับมานึกออกไม ในปัจจุบันเวลามองคนอาหรับประเทศอาหรับซึ่งมีทรัพยากรมากน้ํามันเนี่ยอยู่แถบข้าวสมุทรอาหรบับีเป็นคูเวตอิมเรสซาอูแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปห้าสิบปีที่แล่ร้อยปีที่แล้วก่อนจะเจอน้ํามันเนี่ยพี่นอ้องยากจนทั้งนั้นเห็นมไหมละ่ะฉะนั้นาาก็อ่านปรลอว่าอุนซุนฟะฟะตไกฟาฟตันนาบะดุฮุมอลาบะดินเนี่ยวลาลาพิจาราณาแลว้วทําไมบางพื้นที่บางกลุ่มชนได้รับข้อได้เปรียบบางประการ เหนือกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งบางทีก็เป็นพื้นที่เดียวกันแต่พอต่างยุคต่างสมัยกันแล้วตรงกันข้ามแต่ก่อนเคยได้เยอะตอนนี้แย่แต่ก่อนเคยแย่ตอนนี้ได้เยอะคําว่าอุนซุตตัวนี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดซะเยอะแยะเนี่ยพอต้องการจะบอกว่าคํานี้เนี่ยในคุรานถูกกล่าวหลายครั้งเราก็แปลกันพันผ่า น, านจงพิจารณาเถิดจงดูเถิดแต่ว่าเราไม่ยอม พิจารณาอย่างลึกซึ้งไม่ยอมเสียเวลาจะลงไปศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มชนหนึ่งถึงได้อีกกลุ่มชนหนึ่งถึงไม่ได้อะไรคือปัจจัยอะไรคือสาเหตุและประวติาสรที่ผ่านมาเป็นยังไงแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงเราอุนซุดเนี่ยคือมองผ่านๆไม่ได้มองอย่างไข้กวนนะในดุนยาพี่น้องครับหลายกลุ่มชนหลายพื้นที่หลายประเทศ ได้ความดีงามต่างๆนะแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าวลันอาคิรตุอักบะความดุนยาความดีงามในดุนยาเมื่อเทียบกับอาคิรอดแล้วเนะี่ยสิ่งที่จะได้ในอาคิรอดเนะี่ยมันใหญ่กว่านะอักบะรูดารยาตินเหนือระดับกว่าว่อักบะรูทอฟดีล่และก็ความดีความเด่นความดีงามก็ได้เยอะกว่า ทำไมถึงต้องพูดทั้งดุนยาและก็ อ, อาคิเราะเพราะว่ามันต่างกันพี่น้องในดุนยาเนี่ยคนที่ได้รับความดีงามพอแปลว่าความดีงามเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยหรอกเราแปลมาจากภาษาอังกฤษข้อได้เปรียบภาษาไทยข้อได้เปรียบคนที่ได้รับข้อได้เปรียบเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวนะว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ศรัทธา เขาจะได้มาโดยทางทุจริตทางสุดจริตอะไรก็แล้วแต่คนดีคนไม่ดีในดุนยาเนี่ยบ่าวทุกคนมีสิทธิ์ได้แม้ว่าจะเป็นบ่าวที่ศรัทธาหรือว่าเป็นบ่าวที่ปฏิเสธการศรัทธากันแล้วแต่ทำไมอลัลลอฮ์ทำอย่างนั้นละ่ะเพราะว่าด้วยคุณลักษณะของพระ อ, องค์อัลลอฮ์มานอั์มะเมตตาไม่ใช่กับคนกับสัตว์ก็เมตตากับพืชก็เมตตา เราจะเห็นได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีอาหารของมันไอ้นี่กินไอ้นี่อันนี้กินไอ้นี่อัลลอฮ์สร้างให้กินกันเป็นวัฏจักรกินเป็นวงกลมถ้าว่ากินกันเป็นเส้นตรงมาเฉยวัฏจักรหมดพี่น้องไอ้นี่กินไอ้นี่อันนี้กินไอ้นู่นกินไอ้นู่นไอ้นู่นโดนกินอย่างเดียวหมดพอไอ้นู่นหมดนาพังเลยไอ้คนที่จะกินไม่มีกินพังอ้าวไอ้ไอ้ที่ล่าเหยื่อลําดับต่อที่สามก็พังไปด้วยนึกออกไหมแต่ว่าการสร้างของอัลลอฮ์ทำให้มันเป็นวัฏจักร กินเป็นวงกลมสุดท้ายเนี่ยอันนี้กินนี่กินนี่อา้าวกลับมากินนี่ใหม่ในวัฏจักรอาหารฉะนั้นมันก็มีการเกิดมีการเสริมซึ่งกันและกันวนกันไปไม่จบไม่สิ้นนี่คือรักมาไหมนี่คือรักมาไม่ได้มีเฉพาะให้กับบ่าผู้ศรัท ธ, ธาอย่างเดียวคนไม่ศรัท ธ, ธาก็ได้ด้วยที่ไม่เชคคนก็ยังได้ด้วยเป็นสัตว์ก็ได้ต้นไม้ก็ได้นะแต่ว่าอาลัลลอฮบอกว่า อย่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปเทียบกับความโปรดปานข้อได้เปรียบที่จะได้ในวันกิยามาแล้วเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะในวันกิยามาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์คืออัราฮีมเมตตาแก่บาวผู้ศรัทธาสิ่งที่จะนำมาเป็นรางวัลตอบแทนเนี่ยมีพื้นฐานมาจากการงานที่ถูกตอบรับฉะนั้นต่างกันนะครับผู้เป็นผู้ศรัทธาก็ไม่ต้องไป น, น้อยใจนะ เราศรัทธาเขาไม่ศรัทธาเขาได้ดีกว่าก็ไม่ต้องน้อยใจเขาได้ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นสิทธิเขาได้อลัลลอฮฺเป็นผู้อภิบาลของสากลละโลกไม่ใช่เขาได้ครับไก่บ้านเขาก็ได้แมวที่อยู่หลังคาบ้านเขาที่เขาไม่ได้เลี้ยงนาะหนีมาทุกวันก็ยังได้นกที่บินผ่านก็ยังได้นอนที่อยู่ใต้ดินบ้านเขาก็ยังได้ได้ทั้งหมดในดุนยาแตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจจัยแต่ยุคสมัย นะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ก็ออ่านต้องการจะบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะครับเพราะว่าอัครบุรุษราาตินที่มันมีฐานะเหนือกว่าหลายชั้นอัครบุรุต็อฟดีลาแล้วก็ประเสริฐกว่ายิ่งใหญ่กว่าเนี่ยคืออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อาทิรักตรงนั้นเนี่ยนะครับเอาล่อให้เฉพาะตามการงานที่มนุษย์ปฏิบัติไว้ ทำดีก็ได้รับการตอบแทนทําไม่ดีก็ได้รับการลงโทษนะอ้าวต่อมาครับในอายะฮ์ที่ยี่สิบสองอัลลอฮฺตรัสไว้ว่าแลตันเจอนมาอัลลอฮฺให้อิลัฮันอาคอรับนะครับอย่าเอาเจ้าอื่นเนี่ยมาไว้กับอัลลอฮฺอย่าเอาเจ้าอื่นมาไว้กับอัลลอฮฺก็คืออย่าตั้งภาคีต่ออลัลลอฮฺ ฝัตักอูดามัตมูมันมักดูละนะครับเพราะวัฒนธรรมแบบนั้นแล้วจะกลายเป็นผู้ที่ถูกเยียดยามแล้วก็ถูกทอดทิ้งอย่างที่เรียนให้ทราบขั้นต้นนะครับอายาตตรงนี้เนี่ยอย่าตั้งภาคีต่อลรอดตรงเนี้ยเนี่ยนะครับไม่ได้พูดกับคนที่ตั้งภาคีแต่หลายครั้งในอายาตข้อ่านเวลาพูดถึงอย่าตั้งพาคีต่อรอดเนี่ยพูดกับคนที่ตั้งภาคี บางทีก็บอกว่ามุฮัมมัดจงบอกกับเขาสิว่าอย่าตั้งภาคีคู่สนทนาที่เขาอานต้องการจะพูดด้วยสื่อสารด้วยคือผู้ที่ตั้งพาคีแต่ในอยายันี้ไม่ใช่ในอยายันี้ต้องการสื่อสารกับผู้ศรัทธาเว่าเมื่อศรัทธาต่ออลัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับอย่าเอาเจ้าอื่นขึ้นมาอยู่กับอลัลลอฮ์นะพอจะทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต่อ แค่ว่าต้อยต่ําจะถูกเหยียดยามแล้วก็ถูกทอดทิ้งพูดกับผู้ศรัทธาเนี่แหละพูดกับผมพูดกับพี่น้องนี่แหละว่าเมื่อเวลาศรัทธากล่อลเลี้วอย่ามีเจ้าอื่นขึ้นมาเวลาเรามองวิธการตั้งพาคีนะพี่น้องนะครับนะถ้าในประเทศแถบนี้นะพี่น้องการตั้งพาคีเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าอยู่ในสายเลือด คือเป็นวัฒนธรรมเขานะถ้าบรดินแดนในอาหรับนะครับในโยุโรปอะไแบบเนี้ยยังมีร่องรอยการเผยแพร่ศาสนาจะเป็นอิสลามก็ดีจะเป็นยิวก็ดีจะเป็นคริสเตียนก็นดีศาสนาเหล่านี้เนี่ยยังกล่าวถึงว่าผู้เป็นเจ้าแต่ในดินแดนแถบนี้เดี๋ย ว, วัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะครับมีการตั้งภาคีเยอะนะแล้วก็บูชาสิงสารสิทธิ์เยอะ คนบางคนเนี่ยนะครับบางกลุ่มเมื่อเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมแล้ววัฒนธรรมแนวทางปฏบิบัติบางอย่างยังติดมาด้วยชาวประมงที่เป็นมุสลิมก็ยังมีแม่ย่านางอยู่ที่หัวเรือไม่ได้ว่าทุกคนนึกออกไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นมุสลิมนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติตามวิถีที่ชาวประมงในพื้นที่เคยปฏิบัติตามกันมาในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมก็มีบวมาลัยด้วยมีแม่ย่านางด้วย นี่ออกไหมนะครับบางทีเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมแล้วก็ยังมีการพึ่งพาสายศาสตร์ยังขอดุทิศต่อวิญญาณปู่ย่าตายายให้เขาลงมาช่วยเพราะเขาเป็นคนดีเมื่อตายไปแล้วอลัลลอยกไอ้เขาเป็นวารีวันนี้มีปัญหาก็ขอให้วิญญาปู่ย่าตายายเนี่ยลงมาช่วยแก้ปัญหาฉะนั้นเวนลาเราพูดถึงอิสลามเนี่ยพี่นะ้องพูดถึงมุสลิมเนี่ยต้องคํานึง ถึงทำไมล่ะเวลาเผยแพร่ อ, อิสลามเนี่ยคนมาเป็นมุสลิมกันจริงแต่ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะแนวทางปฏิบัติที่เขาปฏิบัติเนี่ยบางทียังติดวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เคยปฏิบัติ ต, ต, ตามกันมาต้องบอกกับเขานะครับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยละตัญ อ, อัลลอฮ์อิลลัฮันอาครับอย่านำเจ้าอื่นขึ้นมาเทียบกับอัลลอ์นะบางคนบอกว่าอัลลอ์ใหญ่สุด แต่แม่ยานาเนี่ยเฉพาะออกทะเลอย่างเดียวไม่เท่าอัลลอฮ์เล็กกว่าอัลลอฮ์เยอะเพราะสมากอยู่บนบกจเจ้าะออกทะเลที่พึ่งแม่ยานางแบบนี้ก็ยังไม่ได้ความเป็นเจ้าไม่สามารถแบ่งให้กับเจ้าองค์อื่นได้เลยต้องให้ อ, อ100ัลลอฮ์เต็มร้อยเปอร์เซนแบ่งมาเปอร์เซนสองเปอร์เซนต์ครึ่งเปอร์เซนก็ยังไม่ได้นะอิสลามเนี่ยไม่ประนีประนอมกับการตั้งฟาคีทุกแบบเลย ขอนิดนึงได้ไหมขอบางช่วงได้ไหมยังไงก็ไม่ได้การตั้งปาคีไม่ปรานีประนอมกับการตั้งภาคีสารตรงนี้ข้อความตรงนี้บอกกับผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วเป็นมุสลิมแล้วอย่ามีภาคีอีกเลยเพราะว่าจะทำแบบนั้นแล้วตกต่ำครับตะกอเคยเป็นผู้ที่ตั้งภาคีหลงทางวันนี้มาเป็นมุสลิมนะครับทางนาแต่ว่ายังเหลือ การตั้งภาคีติดตัวมาอีกก็กลับไปสู่ความตกต่ำเดิมกลัวอ่านที่บอกว่ามัตมูมันมักดูแลนะครับถูกประนามแล้วก็ถูกตำหนิถูกทอดทิ้งเพราะว่าสุดท้ายทิ้งรากของการตั้งภาคีไม่ได้ยังติดตัวขึ้นมาตอนนี้สำคัญพี่น้องครับไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อิสลามไม่ประนีประนอมกับการตั้งภาคีนะ ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักการในการสร้างสังคมประการที่หนึ่งนะครับบางคนคิดว่าเออไอเรื่องอย่าตั้งภาคีนะครับหรือว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนะทําไมละ่ะเป็นเรื่องทางความเชื่อแต่จริ ง, รงๆแล้วไม่ใช่นะครับอุมมาอิสลามเนี่ยถ้าจะต้องการสร้างประชาชาติสังคมมุสลิมขึ้นมาเตาฮีตเนี่ยเป็นหลักสําคัญประการที่หนึ่ง เป็นหลักสำคัญประการที่หนึ่งนะครับอย่าตั้งภาคีต่อพ่อผู้เป็นเจ้านะหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็มาสั่งว่าเอ๊ะข้อปฏิบัติข้อที่สองคืออะไรถ้าอยากจะสร้างสังคมขึ้นมาในอายะห์ที่23ิบสามเขาอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่ า, วาอวกอดออัลฮ์บูกาและพระเจ้าของพวกท่านเนี่ยนะครับสั่งว่ากำชับว่า อัลลอฮฺตั๋บูดูอิลลอิยาหูอย่าทำการอิบาดั์สิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์คำสั่งตรงนี้นะครับสั่งกับผู้ศรัทธานะสั่งกับผู้ศรัทธาไม่ได้สั่งกับคนตั้งบาคีว่ากดอดรอบบูกายอมรับไปแล้วว่าอัลลอคือรับคือพระผู้พิบาลยอมรับแล้วนะครับแต่ย้าอีกอย่างนี่ว่าสิ่งที่อัลลอสั่งก็คือว่า อย่าอิบาร์ดะต่อสิ่งอื่นนะนี่คือหลักฐานประการที่หนึ่งของการสร้างสังคมอุ ม, มาแบบอิสลามประการที่สองครับวบินวาลีไดเนียซาแนะนอกจากอิบาด์ดะต่ออัลลอฮ์แล้วนะครับให้ทําความดีต่อบีดามารด์ถ้าพี่น้องเปรียบเทียบคํากันนะอัลลอฮ์ต้องอิบาดา์ดะ เราจะไม่บอกว่าให้เอี้ยซานั้นให้ทําดีต่ออัลลอฮ์กูอ่านไม่มีลักษณะแบบนี้เพราะว่าผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการการทําดีด้วยนึกออกไหมครับถ้าเป็นภาคีอื่นอาจจะมีเช่นเออถ้าให้สอบผ่านผมสอบผ่านจะถวายของต่างๆเหล่านั้นเนีเป็นเอี้ยซานนึกออกไหมการเส้นไหวเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นเอี้ยซาน หรือว่าจะรำถวายาแล้วแต่ในความเชื่อในแถบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดดีไม่ดีนะแต่พูดได้เห็นว่าในอิสลามเนี่ยถ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการออกราชสิ่งที่ต้องการคืออิบาร์ดะพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้คารพพักดีพระองค์เท่านั้นไม่ต้องมาทำดีด้วยไม่ต้องเอาอาหารมาให้หนึกออกปะไม่ต้องดูแลแบบอื่นอะ แต่เป็นความเชื่ออื่นมันทีก็มีการอาบน้ําให้เปลี่ยนชุดให้เอาขอนมาถวายให้สร้างที่อยู่อาศัยให้เปลี่ยนจากสารเล็กๆให้มันดีกว่าเดิมอะไรทําน้องเนี่ยเหล่านี้คือการทําดีเป็นอีย้ยซานแต่ในอีสซามพระเป็นเจ้าอัลลอฮฺไม่ต้องการเอี้ยซานจากบ่าวประดีนน่าคิดนะครับต่างกันพี่น้องครับพระเป็นเจ้าไม่ต้องการเอีย้ยซานต้องการอิบาดนะ แต่ถ้าเป็นพ่อแม่เบดามารดาสิ่งที่ต้องการคือเอียสานลูกต้องทําดีต่อพ่อแม่แต่ไม่ต้องการอิบาร์ด้าลูกไม่ต้องไปอิบาร์ด้พ่อแม่นะอิบาร์ด้าต่อรอกนะครับเอียสานทําดีต่อพ่อแม่อย่ากลับกันนะไม่ใช่ลูกอิบาร์ด้ต่อพ่อแม่เอียสานต่อรอกไปกันใหญ่นะครับในอิสลามไม่ใช่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าต้องอิบาร์ด้าพักดีต่อพระองค์อย่างเดียวแบ่งไปสิ่งอื่นก็ไม่ได้ แต่พ่อแม่ไม่ต้องอีบาดนะไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเป็นที่ซานเป็นการทําดีเป็นการให้เกียรติในบางความเชื่อแนวทางปฏิบัติพุทธธ ร, รรมเนี่ยบางทีเขาไม่แบ่งนะครับเ อ, อสิ่งที่เขาเคารพเขาก็กรากนี่ว่าแม่พ่อแม่ก็กราบหนังสือก็กราบอะไรที่มีบุญคุณเนี่ยกราบหมดเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราให้ความเคารพผิดถูกก็เป็นเรื่องของความเชื่อเขาเราไม่ไปตัดสินแต่ว่าในอิสลามเนี่ย สูู้ได้กับอัลลอฮ์พ่อแม่สู้ยูดไม่ได้สู้อกับพ่อแม่ไม่ได้นะสิ่งที่ต้องทําให้ต่างกับอัลลอฮ์ต้องทําดีให้นั่นคือแยาสในยักข้ออ่านว่าอิมมายับลุกอนน่าอินเดกันเคบาระอะฮัดุฮูมาเอาวคิลาฮูมาบางทีเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยทําไมเอ่ยก็ แก่ใช่ปะนะครับอายุมากขึ้นท่านหนึ่งหรือว่าสองท่านบางคนเหลือแค่ท่านเดียวนะครับเพราะอีกท่านหนึ่งเสียไปแล้วนะบางคนอยู่ครบทั้งสองท่านเมื่อทั้งสองท่านหรือว่าท่านใดท่านหนึ่งกันแล้วแต่นะครับสูงวัยมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะยิ่งต้องทาดีต่อท่านทั้งสอง เรื่องความกระตันยูเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าจะพยายามนําเสนอประเด็นอื่นนะครับเพราะว่าพี่น้องทราบกันอยู่แล้วเรื่องการกระตันยูเนี่ยคราวนี้การกระตันยูกับพ่อแม่เนี่ยมันช่วยในการสร้างสังคมยังไงประการที่หนึ่งนะครับสังคมเนี่ยสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมก็คือครอบครัวก่อนที่เราจะพูดถึงผู้ใหญ่บ้านกับนันอาบาตอเลือกตั้งชุมชนอะไรแล้วก็แต่เนี่ยนะครับ หน่วยที่เล็กในสังคมและก็สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะถ้าครอบครัวไม่ดีในพี่น้องสังคมมันก็เละถ้าดีที่ครอบครัวเนี่ยบางทีกฎหมายกฎเกณฑ์ทางสังคมเนี่ยบางทีไม่ต้องถึงตรงนั้นเช่นรักขโมยในพี่น้องเรามีกฎหมายตั้งไว้ต้องมีอิสลามก็มีกฎหมายขโมยต้องทํำยังไงนะเมื่อมีการละเมิดขโมยจะการละเมิดทรัพย์สินนะ ของของเขาผมอยากได้ทำยังไงผมก็ไปเอามามันมีวิธีได้อย่างอื่นซึ่งถูกต้องเช่นขอซื้ออย่างเงี้ยได้เขาจํานองจํานำก็เป็นเรื่องธุรกรรมไปแต่ถ้าไปเอามาเนี่ยแอบเอามาจะป้นจะขโมยกันแล้วแต่ตรงนี้ผิดละเมิดต้องมีกฎเกณฑ์ตรงนี้ไว้กันคนละเมิดแต่ว่าถ้าครอบครัวดีสอนมาดีเนี่ยอย่าเอาของคองอื่นเขา ก็จะไม่ต้องรักขโมยนึกออกไหมลูกที่ได้รับการปูฝังอย่างดีเนี่ยก็จะไม่ลักขโมยกฎก็ตั้งไว้แบบนั้นแต่ว่าไม่ต้องใช้กฎหมายทางสังคมใช้แค่การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวคือเราไม่สามารถผักทุกอย่างให้กับเข้าคุกให้หมดนะครับให้กฎหมายคุ้มให้หมดไม่ได้ถ้าผักทุกอย่างแบบนั้นนายพี่น้องหนักปัจจุบันนี้คุกนายพี่น้องรู้ไหม อยู่กันทาลักคุกแล้วถ้าพี่น้องจำได้ตอนที่มีข่าวโควิดใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวนักโทษบางคนติดโควิดคุกแตกเลยคนเพราะมันอยู่กันแน่นอยู่มันต้องติดกันไอ้คนกลัวกัวกลั ว, ว, วคุกแตกหนีกันนะไม่สามารถผักทุกอย่างไปที่การลงโทษทางสังคมจะเป็นกฎหมายเป็นอะไรกันแล้วแต่ผักทุกอย่างไปแบบนั้นไม่ได้วิธีหนึ่งที่จะช่วยซึมซับพฤติกรรมนะก็คือการสั่งสอนในครอบครัว สำคัญไหมพี่น้องสำคัญอีประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อกลับมาดูในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งที่คนกังวลก็คือว่าช่องว่างระหว่างวัยเจนเนอเรชั่นแกรหมายความว่าผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆ ก, ก็คิดแบบหนึง่งอยากให้ประเทศเป็นแบบหนึง่งนึออม เด็กรุ่นใหม่ก็คิดอีกแบบหนึ่งอย่าให้ประเทศเป็นอีแบบหนึง่งนะผมไม่ได้ลงการเมืองยึะลึกนะว่าใครผิดใครถูกไม่ลงแบบนั้นจะต้องการที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยในสังคมที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องคาดการกันว่าจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างมองกันว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนึกออกไหมไอผู้ใหญ่ก็มองว่าเด็กพวกนี้มันจะปีนหัวมันจะไม่คารพแบบนู่นแบบนี้ นะครับไอเด็กกมอผู้ยหญเนี่ยเอาสิ่ที่มันควรจะได้ไปแทนจะปล่อยให้มันตัดสินอนาคตเอาอำนาจมากดมันไว้ยอมกันไม่ได้ปะทุออกมาจะเป็นคำพูดคำดา่าเป็นการขนวอทางการเมืองอะไรกันแล้วแต่นะครับคราวนี้เราไม่ลงไปการเมืองเพราะว่าอ่อนไหวนะแต่ในอายานี้เนี่ยนะครับให้คนสองเจเนเรชันสองรุ่นเนี่ยทำไมเอย่ยเข้าหากัน ในอายะห์ไม่ได้สั่งตรงๆว่าให้ผู้ใหญ่ดีกับเด็กให้เด็กดีกับผู้ใหญ่แต่ว่าปูพื้นฐานว่าคนสองเจเนเรชันสองรุ่นเนี่ยซึ่งมีความใกล้ชิดกันมากที่สุดก็คือพ่อแม่กับลูกเนี่ยให้ทำดีต่อกันให้เข้าหากันฉะนั้นก็อ่านจึงตัดต่อไปว่าฟาลาตะกุลลหูมาอุฟกินอุฟฟินนะ ให้พูดดีแม้กระทั่งคําว่าอุ้งก็อย่าพูดออกมาให้เกียรติด้วยคําพูดวาลาตันฮัตหูมาวกุลละหูมาเกาลันกเรมานะครับเมื่อมีความจําเป็นต้องพูดต้องสื่อสารการันต้องตักเตือนอะไรก็แล้วแต่วากุลละหูมาเกาลันกเรมาให้พูดด้วยคําพูดที่อ่อนโยน ทางหนึ่งที่เราจะพยายามให้คนทั้งสองเจเนเรชันสองรุ่นเนี่ยอายุคนเนี่ยนะครับให้ใกล้เข้าหากันนะพี่น้องแต่เป็นคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เห็นหัวหนึกออกแบบเป็นใครทํำไมต้องดีด้วยอันนี้ไม่ใช่ลูกฉันนะที่ไม่ใช่พ่อแม่ฉันเริ่มต้นตั้งแต่คนในครอบครัวถ้าในครอบครัวลูกกับพ่อแม่เนี่ยนะครับในกรณีเนี้ที่พูดเนี่ยคือแม่พ่อแม่ที่อายุมากแล้วนะ รุ่นที่เป็นคนอายุปัจจุบันไม่ใช่พ่อแม่แล้วก็ลูกที่เป็นเด็กไม่ใช่นะสถานการณ์มันต่างกันนะพ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วนะครับและลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะแม้ว่าลูกจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แล้วแต่นะครับอย่ามองพ่อแม่คนแก่ว่าเป็นภาระอย่ารําคาญพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงไวั สังคมสูงสังคมสูงวัยก็คือคนในสังคมเนี่ยถ้ามีคนแก่เกินสักยี่สบ้าเปอร์เซ็นแบบนี้คือสังคมสูง ว, วัยแหละแล้วมันยังไงคนแก่เยอะในทางผลผลิตเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าคนแก่บางทีกเกษียณไม่ได้อยู่ในวัยทํางานคนทํางานน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่อายุเยอะก็ต้องมีสวัสดิการดูแลเนื้ออกมาพบหมอบ้างสุขภาพทดผ้อยบ้างคันนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าคนรุ่นทํางาน ที่เป็นรุ่นลูกเนี่ยมองรุ่นพ่อแม่ว่าเป็นภาระต้องเลี้ยงดูสังคมก็ยิ่งไปกันใหญ่คนแก่ก็มองว่ากว่าแกจะโตขึ้นมาขนาดนี้ก็ใช้พื้นฐานที่ฉันสมัยเป็นวัยทํางานสร้างไว้เท่านั้นแหละแล้ววันนี้จะมาข้ามหัวกันเป็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องดูในข่าวก็แล้วกันเรามาตัดสินว่าฝักการเมืองไหนเนี่ยฝ่ายไหนถูกผิดแต่ว่าความห่างกันระหว่างคนสองรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมไทยพี่น้องนะเวลาพูดถึงปรากฏการณ์ในสังคมเนี่ยอย่ารีบลงไปที่ใครผิดใครถูกเธอพี่น้องลงไปแบบนั้นนะตายเลยเพราะว่าติดนิ ส, สัยเสพโตคูบ่อยโตคูเนี่ยผมต้อหนีนิดนึงนะครับเป็นคนสร้างวัฒนธรรมนะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกใครดีใครเลวเวลาเรามองโลกเนี่ยเราไม่อยากจะเข้าใจใครอยากจะมองปุ๊บเห็นเลยอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้เลว เราไม่อดทนที่จะเห็นความแตกต่างไม่อดทนที่จะทําความเข้าใจเขาเราใจร้อนพูดเยอะเนี่ยไม่อยากฟังหรอกอาจารย์พูดมาคําเดียวผิดหรือมันถูกอาจารย์พูดมาคําเดียวมันดีมันเร็วที่เหลือไม่ต้องพูดโตคุณนักวิชาการในสังคมไทยสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาคนฟังก็เสพก็ชินไม่ต้องพูดเยอะอาจารย์พูดมาคําเดียวผิดหรือถูกเหมือนกันเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเนี่ย เราไม่พูดคุยกันพี่น้องสะท้อนออกมาบอกมาคําเดียวใครผิดใครถูกฉะนั้นเวลาพูดใครดีใครเลวเนี่ยปัญหาต่อมาคืออะไรครับก็ต้องด่ากันต้องชนะกนารวอร์ันดีแกเลวแอนนันก็ฉันเลวแกดีสุดท้ายทําไงให้แกเลวก็ต้องขุดความความเลวความผิดพลาดในอดีตต่างใจไปต่างใจก็ขึ้นมาโจมตีกันไอ้ น, นี่ขุดขึ้นมาฉันก็ขุดขึ้นมาบ้านสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแก้ปัญหาต้องการจะตัดสิน ต้องการจะบอกว่าเขาเลวเป็นแบบนี้ปัญหาแก้ไม่ได้กลับมาดูในอายะนี้ครับก็อ่านนาเสนออย่างไงบ้างก็อ่านนาเสนอว่าคนสองรุ่นที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเมื่อรุ่นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยชาราแล้วคนที่เป็นเด็กกว่านะอันนี้ก็พูดในภาพเล็กก่อนในครอบครัวนะก่อนจะไปภาพใหญ่ให้พูดด้วยกับคาพูดที่ดี ปัญหาปัจจุบันคือไม่สื่อสารกันบางทีสื่อสารการคําพูดก็ไม่ดีไม่ได้ให้เกียรติกันนะครับบางทีกระจับช่วงการบางทีก็หลายอย่างนะเต็มไปหมดนะครับหนึ่งคือให้สื่อสารต่อกันนะแต่ว่าหัวกุลเราหูมาเกาลันกระรีมาพูดกับคนที่สูงอายุกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่พูดด้วยกับคําพูดที่ดีถ้าในบ้านในครอบครัวไม่เคารพคนที่มีอายุมากกว่านะ เราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะเคารพจะเคารพคนที่มีอายุมากกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่นึกออกไหมนะครับในอายะ ก, ก็อ่านกล่าวต่อไปว่าวักฟิสลาภูมาจนาขันุ่เลให้น้อมน้อมต่อท่านทั้งสองนะครับแล้วก็ให้ลดปีกเปรียบเหมือนกับนกเนี่ยเวลานกเนี่ยมันเจอนกที่ตัวใหญ่กว่าอะไรกว่าเนี่ย ปีกจะไม่ชูด จ, จะนอบน้อมลงมาก็คือให้มีความนอบน้อมความนอบน้อมตรงนี้ไม่ใช่กลัวฉะนั้นผมพูดแบบนี้เด็กรุ่นใหมบ่บอกโอ้ตามคนแก่ตามคนอนุรักษ์นิยมไม่ใช่นะความนอบน้อมที่เกิดขึ้นมีนาราะมากมาจากความเมตตาไม่ได้มาจากความกลัวเวลาเราให้เกียรติใครสักคนหนึ่งพี่น้องครับให้เกียรติด้วยครับ ค ว, มมความเมตตาความอ็นดูเช่นเดียวกันผู้ใหญ่ที่มองมาที่เด็กพี่น้องให้มองด้วยความเมตตาอย่ามองด้วยความเป็นศัตรูมันจะล้มฉันมันจะโค่นฉันมันจะเปลี่ยนแปลงฉันสายตาที่มองไม่ใช่สายตาด้วยกับความเมตตามันเป็นศัตรูแล้วพอเป็นศัตรูแล้วอีฝายหนึ่งก็รับรู้ได้ก็เป็นศัตรูกลับไปกลับมาย้ำอีกครัง้งไม่ได้บอกใครผิดใครถูกแต่อยากให้ เข้าหากันพูดกันดีๆแม้ว่าจะยอมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เราแพ้นะเรายอมฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เราแพ้ไม่ใช่เรากลัวไม่ใช่เขาใหญ่กว่าแต่ด้วยมีนรรักมากด้วยกับความเมตตาถ้าพูดในภาพใหญ่เนี่ยยอมกันยากพูดในครอบครัวก่อนพ่อแม่ที่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กเนี่ยวันนี้เนี่ยนอบน้อมต่อท่านไม่ใช่ว่าท่านแก่แล้วตีไม่ไหวแล้วลก่อกลัวสิเพราะว่าตีได้ตอนนี้แก่แล้วตีไม่ไหวแล้ว กะเลยไม่นอบน้อมใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมไม่ใช่นอบน้อมทำดีปฏิบัติมีน่ารมาเพราะว่าความเมตตานะครับอวกุลและจงกล่าวว่าจงขอดุอาบทนี้ครับรบบิรหฮมหูมากรมารับบายานีสอีรอกโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันได้โปรดเมตตาต่อท่านทั้งสองท่านทั้งสองบางทีไม่อยู่แล้ว ท่านทั้งสองบางทีอยู่แค่คนเดียวอีกคนหนึ่งอยู่บางทีอยู่แค่ครึ่งคนอยู่ยังไม่เสียชีวิตแต่ขยับไม่ได้แล้วสื่อสารไม่ได้แล้วบางทีอยู่โรงพยาบาลบางทีอยู่บ้านต้องกันห้องให้พิเศษเหลือครึ่งคนจะเหลือยังไงก็แล้วแต่คุณค่าของพ่อแม่ไม่ได้ลดลงรับดบิลคำภูมาเด้โปรดเมตตาท่านทั้งสองก็มารับไปยานี้สวีรอ เหมือนกับสภาพที่ท่านทั้งสองนั้นได้ดูแลฉันตอนที่เป็นเด็กตอนที่ฉันเป็นเด็กพ่อแม่ก็ดูแลฉันด้วยกับเมตตาเหมือนกันสุดท้ายสังคมเนี่ยสิ่งที่ยืบยื่นให้กับคนด้วยกันในสังคมจะแก่กว่าจะเด็กกว่าสมัยก่อนที่พ่อแม่ยื่นให้กับเด็กสมัยนี้ที่ไวทำงานยื่นกับคนสูงอายุอยู่ภายใต้ความว่ารมาควาว่าเมตตา ถ า, ถามว่าปัญหาในสังคมจะแก้อย่งไรครับช่องว่างระ ว, วางไวเมตตานะปฏิบัติต่อกันด้วยความมีเมตตาไม่ลงรายละเอียดแล้วว่าข้อเรียกร้องไหนต้องได้ไม่ได้ลงไม่ได้หรอกแต่โดยพื้นฐานนั่นคือความเมตตาถ้าเป็นศัตรูกันแล้วเนี่ยสุดท้าเวลาสังคมแตกแยกโซวยี่ใครครับลงดิใครก็ลงที่คนในสังคมนั่นแหละเจ็บปวดทั้งนั้นหลยพี่น้องเจ็บตัวทั้งนั้น สูญเสียกันทั้งสองฝ่ายนะครับเมตตาต่อกันยอมกันไม่ใช่การแพ้แพ้นะครับเป็นความเมตตาที่มีให้กันและกันนะอา้าวต่อมาครับผมต้องไม่ใช่ติดมือถือนะผมไม่มีในาก า, อ, าอ้าวอายาสุดท้ายอายในวันนี้ครับรับบุกุ้มพระผู้อภิบาลของพวกท่านอะเลมูทราบดียิ่ง บีมาฟีนูฟูซิคุ้มในสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกท่านอินตะกูนูซอลิไฮนหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ประพฤติดีฟาอินนาหูดังนั้นกาณาลินอาวาบีนาโกลฟูรอพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทำไมเอย่อาายอภัยโกลฟูรอให้กับผู้ที่กับเนื้อกับตัว ตอนนี้มีประเด็นสนใจน่าสนใจไปน้องนะถ้าจะมองออกไปที่สังคมมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งนะครับการตัดสินคนเนี่ยสุดท้ายกับไปที่อัลลอฮ์เพราะว่ารับบุกุมอะละมูมาฟีนูฟูสีคุมสิ่งที่อยู่ในจิตใจสิ่งที่ซ่อนไว้ไม่แสดงออกมาด้วยคําพูดไม่เปิดเผยออกมาด้วยการกระทําทสุดท้ายเวลาอัลลอฮ์ตัดสินด้วยกับ เนียดเจตานาตรงนั้นเอาล่อทราบดีที่สุด น, นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเนียดพี่น้องทราบกันดีนะอินนัมันอามาลุบินนิญาตการงานขึ้นอยู่กับเนียดการงานจะได้รับการตอบรับหรือเปล่าพี่น้องครับอยู่ที่เจตานาทั้งนั้นแหละนะอีกประการที่หนึ่งก็คือว่าประการที่สองนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยกับผู้ที่กับเนื้อกับตัวอาวาบิน อาว่าบิมานาเอาว่าบ้าบิมานารุยุะคือกลับกลับในที่นี้หมายความว่าหลังจากที่กระทําความผิดหลงทางไปแล้ววันนี้กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับอลัลลอฮฺให้อภัยถ้ากลับไปดูในอสองประเด็นก่อนหนะ้านี้มีสองประเด็นนะครับวันนี้เนี่ยหนึ่งถ้าพี่น้องหลงเคยหลงทางเคยยก สิ่งใดกันแล้วแต่จะเป็นวัตถุเป็นอะไรกันแล้วแต่ขึ้นมามีความศักดิ์สิทธิ์ถือว่าตั้งปาฏิหแล้วก็วันนี้ทราบแล้วกลับเนื้อกับตัวนะครับพิ่ชาอัลลอฮ์ อ, อลัลลอฮ์เป็นผู้ที่อภัยยโทษยิง่งแล้วก็เรื่องตรงนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องส่วนตัวขะหว่างพี่น้องกับอลัลลอฮ์ชิริกเนี่ยทิ้งไม่ทิ้งเนี่ยใครจะทราบพี่น้องถ้าผมแขวนอะไรตกะกดวัที่เอลใครจะเห็นใส่โต๊ะดำอย่างนี้ใครจะเห็นนึกออกไหมหรือว่า ไปทำชิริกตัวอย่างนาะผมไม่ได้ทำนาะไปแอบทำเนี่ยใครมันจะเห็นละ่ะสุดท้ายเป็นเรื่องระหว่างบ่าวคนนั่นกับอัลลอฮ์ประการที่สองถ้ากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยตะก่อนเคยทอดทิ้นพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะไม่เสียชีวิตนะพี่น้องเคยไม่ดูแลเนี่ยให้กลับมาดูแลซะถ้าเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องครับให้ขอดูอาให้ดูอาบทไหนดูอาอายาเมื่อกี้แหละรบยิ่งคำูมากามารับบญานีสอวีรอนะครับ ยังมีวิธีทดแทนพ่อแม่แล้วก็บพี่น้องครับผลบุญพ่อแม่มันตัดไปแล้วก็ตายไปแล้วแต่ผลบุญที่เรากระทาเนี่ยมันจะไปถึงพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เป็นสาเหตุจะพี่น้องดูแล้วสมัยก่อนโต๊ะมะชันเนี่ยก็สมัยก่อนเขาก็ยังไม่ค่อยแข่งกันไม่ได้ว่าเขาดีเขาเลวนะบางทีอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะให้เขาได้บุญเยอะขอดูอาให้ทําความดีตัวพี่น้องนะทาความดีให้เพราะว่าอะไรครับผลบุญมันไปถึง พ่อพ่อแม่น่ะเป็นสาเหตุให้เราเกิดขึ้นมามีการอบรมเลี้ยงดูเป็นคนดีเพื่อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่จะไม่อยู่แล้วก็เป็นคนดีเพื่อพ่อแม่ได้การกลับเนื้อกลับตัวนี่เป็นประเด็นสังคมพี่น้องมันไปผูกกับการให้โอกาสคือค น, นอพี่น้องมันมีจังหวะที่หลงผิดหลงทางแล้วก็ออกตะเลิดไปถ้าไม่มีพื้นที่เขากลับมานะกลับมาไม่ได้ปัจจุบันที่เป็นปัญหาคือยกตัวอย่างใลยฟังนะ อาแต่หน้าแม่ไวสใสเขาจะยินไหมแม่ไวใสก็คือว่าคุณเป็นแม่แต่ว่าบางทีเป็นเด็กวัยรุ่นจะพลาดพังอะไรกันแล้วแต่ตั้งครรภ์ขึ้นมาเป็นคุณแม่แล้วแต่ว่ายังไวใสยอยู่คร น, นี้ผู้หญิงสมัยเนี้มีประจำเดือนท้องได้นะมสองก็ท้องได้มสามก็ท้องได้มสี่ก็ท้องได้มหลาลัยบางทีก็ท้องได้คร น, นี้พอเป็นคุณแม่ไวใสขึ้นมาแล้วอนาคตจบเลย นึกออกไหมเด็กที่ไหนแหละอยู่มสามท้องมันก็เลิกเรียนจะมาเรียนได้ไงท้องมันโตนอายคนอายพี่น้องอายสังคมปัจจุบันเขาพยายามผลักดันว่าคุณแม่ไวสายให้กลับมาเรียนมีพื้นที่ให้อายการเป็นคุณแม่ไวสายจะด้วยยันยันชังใจมาแต่ดูอะไรก็นแล้วแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรแต่ห่วงว่าถ้าเราคุณแม่คนนั้นในที่เป็นคุณแม่เนี่ย ออกนอกระบบการศึกษาไปแล้วไปเลี้ยงลูกตัวเองก็ยังไม่มีความพร้อมอนาคตก็มาแห่นอนเพราะไม่มีวุฒิการศึกษาความสามารถยังไม่มีจะเป็นปัญหาต่อลูกต่อสังคมต่อไปอีกฉะนั้นพยายามเข้าพยายามดึงกลับมาว่าคุณแม่ไว้ใจเนี่ยถ้าขอดแล้วเนี่ยนะครับแผลมันเข้าที่ดีไม่มีติดนู่นติดนี่มีคนเลี้ยงดูลูกเนี่ยกลับมาเรียนหนังสือมาถ้าท้องตอนมสองเนี่ยขอดแล้วมาเรียนต่อจะได้จบมสามเรียนให้จบหกนะถ้าอยู่มหาลัยก็ให้จบมาหาลัย มีพื้นที่ให้คนที่หลงไปแล้วน่ะกลับมาเราต้องมีพื้นที่ให้นะพี่น้องอัลลอฮฺเนี่ยมีพื้นที่ให้อายะห์นี้ชัดเจนครับคนที่กาณาล่นอาวาบีนะคนที่กลับมาเนี่ยอัลลอฮฺก่อฟูรอฉันให้อภัยแปลว่าฉันมีพื้นที่ให้คนที่กลับเนื้อกลับตัวการนี้เราที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้ให้ไหมคนที่ผิดพลาดมันหลายแบบนะพี่น้อง คนที่ผิดพลาดจังหวะที่เขาทําเนี่ยเขาผิดเรายอมรับผมมาได้บอกพ่อแม่ไว้ใส่เนี่ยเ อ, อสนับสนุนน่ยไม่ใช่นะความผิดที่กระทำตรงนั้นถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมีนะพ่อแม่ไว้ใส่ที่เป็นมุสลิมเด็กเราเนี่ยมีเหมือนกันเป็นซีนาไม่เป็นซีนาพี่น้องแต่ว่ายังไงล่ะเมื่อพลาดไปแล้วถ้ากลับเนื้อกลับตัวกลับมาแล้วเนี่ยเราจะยังไงในเมื่อผิดแล้วเนี่ยจะต้องทําลายอนาคต เด็กคนนั้นแล้วก็ลูกที่เกิดจะเด็กคนนั้นไปเลยใช่ไหมภาะวะธรรมศีนาหรือว่าให้เขาเนี่ยทาการกลับเนื้อกลับตัวต่อรอภาะวะร บ, บุกุ้มอะลามูบิมาฟีนฟูสีกุ้มอรรถาสตร์ดีเขากลับเนื้อกลับตัวไหมแล้วก็ให้โอกาสเขาถ้าปล่อยไปก็เป็นภาร ะ, ะในสังคมมีปัญหาต่อไปพอพ่อแม่ไม่พร้อมลูกที่ออกมาก็เวลาเลี้ยงดูนะพี่น้อง ม, มันก็มีจุดบกพร่อง ถามว่าพ่อแม่ไอแม่ไวสายเนี่ยส่วนมากพ่อไม่เคยอยู่นะเวลาเด็กวัยรุ่นมันอะไรกันขึ้นมาแล้วมันท้องขึ้นมาถามว่าผู้ชายมันอยู่ผู้ชายไม่อยู่มันก็ไปเหลือแต่ผู้หญิงนี่แหละแล้วก็เด็กที่อยู่ในลูกที่อยู่ในท้องคลอดออกมาพ่อแม่ผู้หญิงก็ต้องดูแลต่ออีกมันก็เป็นภาระตรงนั้นไปครับนี้ในสังคมเขาก็มีแนวคิดเปิดพื้นที่ให้พ่อแม่ไวสายที่ผมจะพูดเนี่ยมันจะประเด็นนี้อย่างเดียวนะหลายๆประเด็นเลยนะครับสมัยก่อนนะพี่น้อง คนที่เคยผิดพลาดเยอะไม่เยอะนิดเดียวพี่น้องผมกลับไปดูชีวิตตัวเองนะนิดเดียวจะจะใจแตกจะเลวจะดีนิดเดียวอดดัลลอฮฺอให้มาทางนี้แต่อคนที่อลัลลอฮฺมาเดียพยวิกหัวใจแล้วมันไปทางนั้นเนี่ยอยากจะกลับกลับไม่ได้พอกลับมาแล้วเวลาสังคมมองเนี่ยมองด้วยความเหยียดหยามเหยียดหยามตัวเขาไม่พอลูกเขาสังคมก็เหยียดหยามนึกออกไหมไม่มีพื้นที่ให้กลับเมื่อไม่มีพื้นที่ให้กลับ ก็ไม่กลับเนื้อกับตัวก็ดันต่อไปสุดท้ายปัญหาเกิดที่ไหนเกิดในสังคมพอเขาไปสมาชิกในสังคมความผิดความไม่ดีที่เกิดขึ้นสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่ในสังคมไปไหนไม่พน้นพี่น้องครับถ้าเอาล้อเปิดพื้นที่ให้กับการคนที่กลับเนื้อกับตัวสังคมมุสลิมก็ต้องเปิดพื้นที่ให้คนที่กลับเนื้อกับตัวด้วยจะเป็นด้านไหนกันแล้วแต่นะครับไม่ได้บอกว่าเขาถูกนะแยกประเด็นให้ดีอ้าว สุดท้ายครับประมาณสิบนาทีผมทวนเนื้อหาในวันนี้นะจริงๆเนื้อหามั น, ม, นมันประมาณสามสี่ประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งในอายาที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับไม่มีใครดีกว่าใครคนอาหรับไม่ได้ดีกว่าอาญามที่มาแชรอาหรับคนไทยไม่ได้ดีกว่าขมิ้ขมิไม่ได้ดีกว่ายวนนึกออกไหมเป็นค้อเนี้ย บันีอาดัมเป็นลูกหลานของนบีอาดัมจะดีกว่าได้ยังไงในเมื่อปู่บรรพบุรบุษเป็นคนเดียวกันนึกออกไหมไม่มีใครดีกว่าใครแต่ว่าข้อได้เปรียบบางประการเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งได้คนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะจะเป็นภูมิประเทศเป็นทรัพยากรเป็นสีผิวเป็นอะไรก็แล้วแต่บางกลุ่มได้มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งบางทีพื้นที่เดียวกันพอวันเวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยน ใครจะคิดว่าพื้นที่ทะเลทรายที่คนไม่อยากจะมาไปมาเจอน้ํามันแล้วต่อไปนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกเพราะคนหันออกจากน้ํามันไปสู่ทรัพยากรอื่นพื้นที่เดียวกันคนกลุ่มเดียวกันดีแหละเปลี่ยนพลิกหัวพลิกก้อยพลิกหัวพลิกก้อยไม่รู้กี่ครั้งนะครับก็อ่านบอกอุนซุดไกฟาการนะไกฟะตอนนะบะดุมอลาบะดินอุนซุดจมพิจารณาไกฟะอย่างไรล่ะกระบวนการอะไรล่ะ กลไกอะไรมาที่มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ตรงนี้เป็นคําสั่งให้ศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับอย่าอะไรกันแล้วแต่ครับสิ่งที่จะได้รับในโลกอาอคิร์ร์ใหญ่กว่าดุญยาเยอะกว่าดุญยาอักบรุดรารยาลำดับขั้นชั้นเนี่ยอาคิร์ร์กันเหนือกว่าตัฟดีลาความเปรอะเสริอก็ยังเหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่า ต่อมาครับอันนี้เป็นสรุปนะจะพูดสั้นๆวันนี้มีคําสั่งสองประการที่อลลรรถสั่งโดยปกติแล้วที่ว่าอย่าตั้งภาคีเนี่ยจะพูดกับผู้ที่ตั้งภาคีแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้พูดกับผู้ศรัทธาว่าอย่าตั้งภาคีสังคมอุมมาอิสลามจะสร้างขึ้นได้นะครับมีหลายข้อนาะวันนี้เอามากรองสองข้อประการที่หนึ่งครับสังคมนั้นต้องไม่มีภาคี มันจะเป็นเอกภาพมันจะเป็นหนึ่งเดียวเวลาละหมาดเนี่ยมุ่งไปทางทิศทางเดียวกันคนที่ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ก็อ่านก็ยังเตือนว่าอย่าให้มีภาคีเข้ามานะนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับให้ทําดีต่อคนที่เป็นบิดามารดาสิ่งน่าสังเกตก็คือเวลาถึงพูดถึงพ่อแม่ใช้คาว่าเอี้ยสานันให้ทําดีด้วย เวลาพูดถึงผู้เป็นเจ้าจะคำว่าอิบาร์ดะไม่สลับกันนะอัลลอฮฺไม่ต้องการเอื้อซานจากมนุษย์เวลาเชื่อกุรอานเนี่ยฉันเชื่อกุรบานและขอมอบขาหน้าสองขาให้กับอัลลอฮฺไม่ต้องมาเอื้ซานต่ออัลลอฮฺไม่ต้องเนียดไปถึงอัลลอฮฺเนื้อก็ไปแบ่งคนยากคนจนอัลลอฮฺไม่ต้องการเอื้ซานพ่อแม่ต้องการเอื้ซานนะครับทําดีต่อพ่อแม่ด้วยกับคําพูดที่ดีครับด้วยกับความนอบน้อม ไม่ใช่นอบน้อมเพราะความกลัวแต่ว่ามิเนาะรับมาเพราะเป็นความเมตตาความเมตตาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เราให้ฝ่ายเดียวนะเพราะว่ารับเบี้ยธรมคุมากมารับบัญ า, านีสวีรอความเมตตาที่เราให้กับพ่อแม่ตรงนี้เนี่ยตอนที่เขาแก่ชราเนี่ยเป็นความเมตตาเดียวที่เราเคยได้รับก่อนมาแลว้วพ่อแม่เคยหยิบยื่นให้ก่อนมาแลว้วตอนที่เรานั้นยังเป็นเด็กยังเป็นเล็กอยู่ วันนี้เราให้ความเมตตาต่อพ่อแม่พูดดีทําดีกลับไปและสุดท้ายยังขอดุอาต่ออลัลลอฮฺว่าให้เมตตาต่อพ่อแม่ต่อท่านทั้งสองอีกเห็นไหมในสังคมบูชาพี่น้องมันมีความสุขครับเพราะมันอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาเขาเคยเมตตาเราวันนี้เราก็เมตตาเขาและก็ขอให้อลัลลอฮฺเมตตาเขาอีก สถาบันสังคมสำคัญมากพี่น้องครับทุกวันนี้ในสังคมไทยประสบปัญหาช่องว่างระหว่างวัยสมัยก่อนช่องว่างระหว่างวัยถ้าเป็นสมัยผมนะยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคือพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันฉันเป็นวัยรุ่นอยากจะลองบุหรี่อยากจะมีแฟนพ่อแม่ห้ามพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันช่องว่างระหว่างวัยสมัยก่อนเป็นแบบนั้นนะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กตอนนี้ ตรงกันข้ามนะครับเด็กต้องการจะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบที่ผู้ใหญ่เคยวางไว้ผู้ใหญ่ก็มาว่าเด็กเขาเรียกว่าข้ามหัวมันเป็นอีแบบกันนะไม่ใช่พ่อแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นนิสัยส่วนตัวไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่งก็เป็นปัญหาระหว่างวัยเหมือนกันนะครับไม่ตัดสินนใครปิดใคถูกนะแต่ว่าแนวทางหนึ่งที่จะทําให้คนสองวัยใกล้เข้ามาอยู่ด้วยกัน สมัสมานการรักใคร่กั น, กกนเมตตากันให้กลับไปที่สถาบันครอบครัวครับ mm hmm. เมื่อพ่อแม่แก่ชราแล้วให้ลูกปฏิบัติต่อท่านให้ทําดีต่อท่านทั้งคําพูดแล้วก็การกระทําให้ช่องว่างระหว่างไว้ยมันหายไปก่อนในครอบครัวแล้วก็ค่อยไปว่ากันในระดับสังคมต่อมาครับประเด็นที่สีที่ได้ในวันนี้ในะอายะที่ยี่สิบห้านะคนที่กลับเนื้อกับตัวเนี่ย อัลลอฮฺให้อภัยเอาว่าคนที metros, ่กล so ับเนื้อกลับตัวทําไมใช้คําว่ากลับเนื้อกลับตัวกลับมาเนี่ยเพราะว่ามันเคยตะเลิดไปแล้วเคยผิดไปแล้วเคยหลงไปแล้ววันนี้กลับมาอัลลอฮฺให้อภัยในขณะเดียวกันเมื่ออัลลอฮฺให้อภัยแบบนี้เราก็ตั้งคําถามกลับไปที่สังคมว่าสังคมเนี่ยมีพื้นที่ให้ไหมกับคนที่ผิดพลาดที่หลงทางไป ในสังคมใหญ่มีหลายประเด็นวี่น้องประเด็นที่เขาพยายามยกขึ้นมาก็คือที่ผมยกตัวอย่างนาะเป็นแม่ไวสายพลาดไปแล้วเนี่ยระบบการศึกษาจะทิ้งเขาไหมหรือว่าต้อ น, นรับให้เขากลับมาศึกษาต่อให้จบในสังคมมุสลิมมีหลายกรณีเต็มไปหมดเลยนะครับถ้ารอมีพื้นที่ให้บ่าวที่เคยหลงผิดกลับมาสังคมมุสลิมจะมีพื้นที่ให้กับคนที่กลับเนื้อกลับตัวไหมเป็นประเด็นทิ้งไว้ให้นะครับ วันนี้เท่านี้ครับอว บ, บิลลาฮิตาฟิวันฮิดายะอัสซาามุอะไลกุมวะรักมาตุลลอฮิววะฮรับการุโต